ทธวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรนสีสนทนานะคะได้เวลาที่จะมาต้อนรับยามเช้าของทุกท่านด้วยการสนทนาธรรมให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงคําสอนของพระศาสดายอย่างถูกต้องและก็นําเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันโดยในวันจันทร์ศก์กับวันศุกร์ดิฉันสัสนสีนาภงนะคะจะมาเป็นผู้ที่ดําเนินการสนทนาธรรมกับพระมหาภาบภูบุญอภิปุโน และก็เป็นพิเศษที่จะมีการนําการปฏิบัติธรรมโดยท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรลีกเรนอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีที่นั่นมีการปฏิบัติธรรมกันเป็นประจําทุกเดือนนะคะเดือนละหนึ่งคอร์สเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คอร์สนั้นระยะเวลา7วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีคอร์สปฏิบัติของที่วัดป่าดอนหายโศก ท่านก็จะได้โอกาสดีกว่าคนที่เดินทางลู่ไปหน่อยคือได้ปฏิบัติก่อนเลยนะคะและไม่ต้องอเสียเวล า, าเวลาในการเดินทางสําหรับคนที่ไม่ว่างค่ะก็ไปกราบน้มักการท่านพบูลนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันค่ะน้อมสักการทั้งคะเดือนบอลก่อนที่เราจะเริ่มฟังธรรมเราก็มาปฏิบัติธรรมกันสัหน่อยก่อนและโดยให้เราตั้งสติขึ้นการฝึกในการที่จะตั้งสตินั้น พระปุถุชนให้คเครื่องมื อ, อไว้อยู่ทั้งหมดสิบอย่างด้วยกันเร า, เามาใช้สักอย่างหนึ่งในที่นี้ก็คือลมหายใจลมหายใจของเราที่ผ่านออกผ่านเข้านี้ให้ใจเป็นคเครื่องมือในการที่เราจะปฏิบัติธรรมโดยให้เราเอาจิตของเรามาระลึกถึงลมหายใจลมหายใจนั้นมันทีมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกไม่ได้เป็นตัวตนที่จะจับต้องได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมาระลึกรู้ถึงลมหายใจเนี่ยก็ให้ อยู่ที่บริเวณทางเข้าทางออกแต่เราตั้งใจที่จะจับมันที่ตรงนี้การที่เราจะมาระลึกถึงอยู่ที่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจก็คือการที่ให้จิตของเราเอามาใส่ไว้อยู่บริเวณที่เราสามารถจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ที่ไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ในที่ตรงนั้นแน่นอนบางทีมันอาจจะมีความคิดนึกความรู้สึกต่างๆที่ผ่านเข้ามาตามแขนตามขา หูเปิอยู่ก็ได้ยินเสียงบางคนอาจจะทํำนูน่นทํานี่ไปตาก็อาจจะเห็นรูปมีความคิดนั่นนี่นูน่นวันนี้จะไปทำอะไรแต่ถึงแม้จะมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นอยู่ก็ตามให้เรามีสติตั้งเอาไว้อยู่กับโลหมหายใจแต่ลักษณะาการฝึกอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นใเพื่อที่จะให้จิตของเรานั้นเกิดเป็นสมาธิได้เพราะว่าจิตนี้จะต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่ แต่บอกว่าจิตไม่มีสติเป็นที่เล่นไปสู่มันก็จะวิ่งไปหาสิ่งที่เป็นต่างๆหูมูดลิ้นกายและใจวิ่งออกไปตามสิ่งภายนอกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ทำ ม, มารวมความคิดนึกต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าจิตที่มีสติตั้งเอาไว้ระ ล, ะลึกถึงแล้วจิตนั้นสามารถที่จะพ้นจากการยึดถือของรูปเสียงกลิ่นรสพวกนั้นได้เพราะว่าสตินั้นจะเป็นที่เล่นไปสู่วิมุติจะพาจิตไปทางนั้น โดยเวลาที่จิตมามีสติตัต้งเอาไว้อยู่เนี่ยสิ่งที่เป็นความคิดนึกความรู้สึกเสียงที่เราได้ยินจะค่อยๆมีกําลังลดลงลดลงพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เอาสัตว์ไปผูกเชือกไว้กับเชือกเส้นหนึ่งเอาปลายอีกด้านหนึ่งไปผูกไว้กับเสาสัตว์มีทั้งหมด6ชนิดด้วยกันมันก็จะพยายามที่จะวิ่งกลับไปสู่ที่หากินที่เที่ยวของมัน งูก็จะเลือ้อยไปที่จอมปลวกจะระเข้ก็พยายามที่จะลงน้ําสุนัขก็พยายามที่จะเข้าไปในหมู่บ้านเป็นต้นเหมือนกันจิตกองเราก็พยายามที่จะวิ่งไปตามตาหูจมูกลิ้นกายและใจพวกนี้ที น, นี้ถ้าสาตว์ที่ผูกอยู่กับเสาที่เป็นเสาที่ผูกไว้อยู่อย่างมั่นคงแล้วปากหลักไว้อย่างมั่นคงเนี่ยเงื่อนก็ผูกไว้อย่างมั่นคงมันก็จะวิ่งหนีไปไม่ได้เหมือนก็ถึงเวลามันเหนื่อยมันก็จะมายืนเจา้านั่งเจา้านอนเจา้า อูที่ข้างเสาเกื่อนเสาหลักเช่นเดียวกันถ้าจิตของเรามาผูกไว้อยู่กับลมหายใจโดยมีสติเป็นเหมือนกับเสาเกือนเสาหลักแล้วสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิัณฑ์ธรรมรมที่พยายามจะดึงจิตไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็จะค่อยอ่อนกําลังลงแต่ในขณะที่ฝึกนี้มันอาจจะยังมีการดึงอยู่แต่ในขณะที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยเรายังมีความคิดบ้างได้ยินเสียงบ้าง ก็เบรเหมือนกับลิงบา ง, บางทีมันก็ยังมีแรงดึงอยู่เสาบางทีก็ยังได้รับแรงอยู่เชือกบางทีมันก็ยังตึงอยู่แต่คือมันยังไม่อ่อนแรงแต่ในขณะที่มันดึงไปดึงไปถ้าเชือกไม่ขาดมันก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงทีนี้ถ้าบอว่าเชือกมันขาดแล้ก็เหมือนเวลาที่เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จนกระทั่งลืมลมหายใจไปเราก็อย่าให้ลืมลมหายใจแต่อย่าให้เชือกมันข า, ขาดถ้าเชือก ม, มันขาดแล้วเราก็เอามาผูกใหม่ ทำาเราลืมหลงลมหายใจไประลึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมารู้ที่ลมหายใจอยู่เหมือนเดิมการกระทําอย่างนี้การที่เราระลึกได้อย่างนี้คิดได้ว่าโอ้ oh, ฉันต้องมารู้ลมหายใจโอ้ oh, ฉันต้องมารู้ลมหายใจคิดได้แบบนี้แล้วสติก็จะค่อยมีกํำลังขึ้นมีกํำลังขึ้นสิ่งที่เป็นที่จะมาดึงเราให้ไปทางนั้นมันก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจนถึงระดับหนึ่งมันก็จะพักเหนื่อยยืนเจา้านั่งเจา้าจิตตรงนั้นเราก็จะเริ่มที่จะเป็นสมาธิ เริ่มที่จะไม่ได้ไปสนใจเสียงที่มาจากภายนอกไม่ได้ไปสนใจตามความคิดนึกต่างๆแต่เราเป็นไปอย่างนี้ก็จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้และสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะฝึกไปได้ตลอดทั้งวันเลยในเชิงบานค่ะสาธุค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะมาสนทนาธรรมกันต่อเลยนะคะซึ่งดิฉันเองเนี่ยก็ได้สงสัยมาแต่ยังไม่เคยถามท่านสักทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเอ่ย น, นาม ของอังคุรีมานซึ่งเดชฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับองคุรีมานที่คนทั่วไปเนี่ยมักจะรู้จักกันอย่างนี้เพราะดูเหมือนกับว่าคำว่าองคุรีมานเนี่ยก็เอาลักษณะนิสัยขององคุรีมาเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยว่าเท่ากับหนึ่งข้อนิ้วใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าองคุรีมานที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตอนเด็กๆเกนี่ยจะชอบเรื่องเล่านี้มากว่า เป็นโจรที่กลับใจฆ่าคนดะาอ๋อใช่ใช่มีความรุนแรมากแจ่ฆ่าใครก็เอาจำนวนนับนั้นด้วยการเอานิ้วเป็นสั ญ, ญลักษณ์หนึ่งนิ้วต่อหนึ่งคนใช่ไหมคะถูกต้อ ง, องเอามาร้อยเป็นสร<ง>้อยอรอบคอแต่ว่าในส่วนของการที่องคุรีมาน ที่มีอยู่อย่างแท้จริงเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นคนเดียวกับอังคุริมานของท่านหรือเปล่าแล้วก็มีอยู่จริงหรือไม่แล้วมีแล้วเขามีบทบาทอย่างไรในครั้งพุทธกาลค่ะอ๋อเอาคำสาบก่อนนะคำภาษาบ <c oughs> าลีค่ะภาษาไทยก่อนก็แล้วกันภาษาไทยเนี่ยเราใช้คําว่าองค์ุรีเนี่ยหมายถึงหน่วยในการวัด <c oughs> เช่นสมัยเด็กๆอัตมาจําได้เลยแม่เนี่ยให้ไปหุงข้าว <c oughs> <c oughs> สมัยอัตมาเด็กๆ เ, เนี่ยก็มีมอไฟฟ้าแล้วนะ <c oughs> เพอาให้ไปก็เลยซาวข้าวแล้วก็ใส่น้ําแล้วเอาใส่น้ำเท่าไหร่ แม่ก็ บ, บอก1นงองคุลีอานนมาก็จำได้เลยหองคุลีแล้ว1องคุลีมันเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าสมัยก่อนเราก็รู้จักแต่เซนติเมตรมิลลิเมตรอะไรพวกนี้นะก็นี่ข้อนิ้วนึงแม่ก็ บ, บอกงนี้ตอนนั้นอาจมาก็จาได้แม่นเลยอ๋อหข้อนิ้วคือ1นงองคุลีก็จะจุมนิ้วลงไปข้อเล็กๆก่อนเล็กๆนั่นแหละข้อใหญ่ๆก็ใหญ่ๆนั่นแหละแต่ละแต่คนก็ไม่เท่ากันบางทีก็แฉบบ้างบางทีก็แห้งบ้างก็แล้วแต่ทีนี้ก็เลยตรงนี้เป็นหน่วยวัดที่เราใช้ในภาษาไทยทีนี้คําว่่าองคุีี มาจากอะไรเ้าถ้าสั์คําเดียวกันนี้องคุลีเนี่ยก็มาจากภาษาบาลีนั่นแหละภาษาบาลีเนี่ยเขาจะอ่านว่าอังคุลีอังคุลีแปลว่านิ้วอังคุลีเนี่ยแปลว่านิ้วสั์คํานี้เลยนะอังคุลีเนี่ยแปลว่านิ้วจะเอาเฉพาะจ่อจงลงไปคือนิ้วชี้ด้วยคือนิ้วชี้ index finger เนี่ยคือนิ้วนี้อังคุลีคือนิ้วเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นฉายาของ บุคคลบุคคลหนึ่งบุคคลนี้เขาชื่อจริงๆชื่อว่าอาหิงส ก, ก ะ, ะก็คือท่านพระอังคุริมานนั่นเองคืออังคุลีมานเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะถ้าเราเปลี่ยนเรียกเป็นภาษาไทยให้คนไทยเข้าใจก็คือองคุลีมานอังคุลิแปลว่านิ้วมาลาก็คือพวงมาลายนะ<ง>เป็นมาลัยเป็นร้อยเป็นพวงส่งเอาไว้แนละจึงเป็นที่มาของคําว่าองค์ุลีมานอ๋องั้นเป็นจายาของท่านคําว่า องคุลีมานคำว่ามานเนี่ยมาจากมาล ะ, าละก็ต้อ ง, อองสะกดด้วยลอริงถูกไหมคะถูกต้องถูกต้อ ง, งไม่ใช่มานแบบมานผจญ<อ>มานตัวชั่วไม่ใช่มม้าสาราลอลิงค่ะคือดิฉันเองเนี่ยคิดว่าเป็นมาลเลือดเพราะว่าเป็นคนไม่ดี อ, ะอ่ะ ม, มีอุปนิสัยชอบฆ่าชอบฟันชอบข่มเหงดังแกคนอื่นใช่ไหมควรจะเป็นพวกมานไม่ใช่ไม่เทียบอะไรพวกนี้ก็นด้ค่ะก็คือมีมาลัยที่เป็นนิ้วนั่นเอง สรุปแล้วองค์คุลีมานกับอังคุริมานที่ได้ยินท่านเพบูนได้เอ่ยนามนี้หลายครั้งเหมือนกันในรายการเป็นคนเดียวกันเดียวกันบุคคลท่านเดียวกันค่ะแล้วชื่อชื่อเดิมของท่านนะคืออะหิงสกะอหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนทีนี้ฉายาตรงเนี้ยคือคือได้มาคือปกติคนอินเดียเขาก็จะพูดตามเรียกตามฉายาเรียกตามอวปนิสัยนะค่ะเออก็จะมีฉายาอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมด ท่านอังคุลิมานนี่ก็เหมือนกันแต่เพราะว่ามีมาลัยที่ทําจากนิ้วมืออก็เลยเรียกว่าอังคุลิมานคือบนเดียออกมาก็จะติดตรงนี้นะอังคุลิมานเรียกคนไทยก็องคุลิมานนั่นเองค่ะเอแล้วแถมชื่อเดิมเนี่ยชื่อไม่เหมือนอุปนิสัยเลยนะคะชื่อเดิม <c oughs> แปลว่าไม่เบียดเบียนชื่ออหิงสากะถูกต้องแต่จริงๆแล้วหิงสากะหิงสากะนี่ยแปลว่าเบียดเบียนไหมคะถูก ต, ต้องความคือความวิหิงสาเนี่ยคือไม่เบียดเบียน วิหิงส า, <ynen. S 1> สาก็คือความเบียดเบียนนั่นเองอย่างที่เราจะพูดกันเนี่ยการพยาบาทวิหิงสาวิหิงสาคือความเบียดเบียนขอไปนะครับว่าวิหิงสาเนี่ยค่ะวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนค่ะแต่เขาเนี่ยชื่ออหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนใช่เพียงแต่มีนิสัยชอบเบียดเบียนจึงได้ฉายาว่าบุรุษผู้ อ, อมี น, นิ้วมือเป็นปวงมาลัยใช่ค่ะ เพราะาสัญลักษณ์งการชอบข่าแล้วก็เอาอนิ้อมาทําเป็นบูมอะไ ร, ะระใช่ค่ะอันนี้ในพุทธประวัติก็มีในลักษณะเดียวกับที่เราได้ยินมาใช่ไหมคะ<อ>ว่าเป็นโจดชอบล่าอย่างนี้คือถ้าถ้าจะให้พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยท่านท่านจะไม่ได้ตรัสเพราะว่าเป็ น, เ ป, นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้านะคุณโยมติว๋วคือพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยจะจะจ ะ, จะไม่พูดคือถ้าไม่ถามฉันจะไม่พูดแต่ถ้าถามฉันจะพูดที่เดียวเพราะฉะนั้นเรื่องความไม่ดีของท่านอังคุลีมาเนี่ย เราจะไม่ได้เคยยินจากปากพระพุทธเจ้าแน่นอนอันนี้จะ oh <my> ไม่ใช่พระรธประพลดแน่นอนไม่ใช่พุทธวจนะแน่นอนเพราะอะไรก็ท่านจะไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นไค่ะอ่าคือก็จะถ้าถามก็จะพูดนิดเดียวแต่ประเด็นอย่างเรื่องไม่ดีของท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยเราจะไม่เคยได้ยินจากปากพระพุทธเจ้าเลย oh. เรื่องไม่ดีของท่านพระหมหาโมคลานะเราจะไม่เคยได้ยินคือถามเฉพาะต่อจงว่าทำไมท่านพระหมหาโมคลานะบรรลุภาพอย่างนี้ท่านก็จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้บอกไปในรายละเอียดแล้วว่า เกิดในสมัยนั้นชื่ออะไรก็คือจะไม่ได้พูดแต่ก็จะพูดอยู่แต่นิดหนึ่งอันนี้เป็นวิสัยของสัตรบุรุษนะค่ะคือสัตรบุรุษเนี่ยเราจะดูจากการพูดของเขาได้ว่าถ้าคือถ้าถ้าไม่ได้ถามเรื่องไม่ดีของเขาเนี่ยจะไม่พูดเลยแต่ถ้าถามชนิดที่ว่าเลี่ยงไม่ได้ต้องตอบก็จะตอบนิดหนึ่งนี่จะเป็นวิสัยของท่านจะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องราวของท่านอพระอังคุริมาที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยอันนี้คือฟันตรงได้เลยว่าไม่ใช่พุทธพลด ก็จะมีตามนิทานต่างๆที่เขียนเป็นคําอธิบายเอาไว้นะครับอธิบายนี้ก็คือหมายถึงอัตถคฐานั่นแหละที่เป็นอัตถกฐาอธิบายว่าทําไมท่านถึงชื่อนี้มีบุปการมมายังไงพ่อแม่ตั้งชื่อให้เริ่มแรกว่าอะไรอย่างอหิงสการ์นี้เป็นต้นนะค่ะซึ่งชื่ออหิงสการเนี่ยเป็นชื่อที่ท่านท่านได้เคยเป็นเป็นคำของท่านเองท่านเล่าให้ฟังตอนในอังคุลีมาลสูตรเนี่ยมีอังคุลิมาลสูตรอยู่ซึ่งในพระสูตรนี้ มีตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าชื่อเดิมของฉันนี่คือองหิงส ก, กะเนี่ยมีอยู่ตอน อ, ตอังคุลิมานเป็นคนเล่าเองใช่ใช่แล้วแล้ ว, ลว ท, ที่ท่านได้ชื่อนี้เนี่ยก็เพราะว่าอบิดาของท่านเนี่ยเป็นเป็ น, ปนก็เรียกว่าอะไรนะหมอดูเหมือนกับหมอดูก็เรียกหมอดูเวลาเหมือนกับโหนทํานายในในพระราชวังอย่างนี้นะสมัยก่อนะนะก็ก็ดูยามตกฟากดูอะไรเนี่ยก็พบว่าเด็กที่เกิดเวลาเนี้ยจะเป็นเด็กที่ เป็นเป็นอาทยากรเป็นฆาตกรรมชนิดที่เรียกว่าชื่อเสียมากเป็นอันตรายมากก็เลยรีบไปบอกพระราชานะปรากฏว่าลูกตัวเองนั่นแหละที่เกิดมามแล้วเพื่อที่จะแก้เค้นตรงนี้นะโดยการที่ไม่ให้เป็นคนไม่ดีก็เลยตั้งชื่อที่มันตรงกันข้ามซะตั้งชื่อว่าอ่หิงส ก, ก ะ, ะอันนี้คือพ่อเขาเป็นโหราจารย์ชั้นยอดเลยน ะ, ะพ่อของอังกุลิมาเนี่ยนะก็เลยตั้งชื่อมาอย่างดีนะเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะคือถ้า เราจะไปคิดว่าเปลี่ยนชื่อแล้วมันจะดีขึ้นเนี่ยแต่ถ้ายังทําชั่วอยู่นี่ไม่ใช่นะเออแต่ถ้าต่อให้ชื่อเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าทําดีชีวิตเราก็ดีขึ้นมาได้อย่างกรณีของท่านอังกุลิมาในตรงกัามกันชื่อเนี่ยดีดีดแต่ว่าทําชั่วกลับเลยกลายเป็นไม่ดีไปครับท่านคะถ้าอย่างนั้นท่านบอกว่าที่ปรากฏอยู่เป็นอัธกาถาคือคําของครูบาอาจารย์ยที่แต่งขึ้นใหม่ในภายหลังพระพุทธองค์เอง มีบ้างไม่แค่ที่ถึงองค์กุลิมานในเรื่องที่ไม่ได้เป็นความไม่ดีขององคุลิมานโอมีได้พูดเรื่องดีๆของท่านไว้อยู่เช่นว่าบอกให้ท่านพระองค์กุลิมานเนี่ยไปคือคื อ, คอท่านในในพระสูตรเนี่ยเขาบอกว่าท่านอังคุลิมานเนี่ยไปบินทบาทแล้วก็เจอหญิงที่คลอดยากคนหนึ่งน่ยก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยให้ท่านอังคุลิมานเนี่ยไปบอกกับหญิงคนนี้น่ยพูดอย่างนี้ว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยไม่ได้เคยฆ่าสัตว์เลย ไม่ได้ทําชีวิตสัต์ให้ตกล่วงลงไปเลยด้วยการกล่าวคําสัพว์นี้ขอให้เธอมีความสุขพูดลักษณะนี้ซึ่งตรงเนี้ยพอท่านอังคุลิมานได้ยินแล้วก็เลยคิดว่าอา้าตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ฉันฆ่าคนไปเป็นเบื่อเลยเอ๊ะทาไมพูดอย่างนี้มันก็เป็นการโกโหกสิ<ข>แต่ทำไมพระพุทธเจ้ายังให้ฉันเนี่ยคืออังคุลิมานเนี่ยไปพูดอย่างนี้กับหญิงคนนั้ น, นพระพุทธเจ้าก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่แต่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาในอริยชาชายังไม่ได้เคยโปร่งสัตว์จากชีวิตเลลยยด้้วววกกกากาาาร่คคํสัพี็ขขอใหหญิงมมุ น่นคือคลอดง่ายดัง น, นั้นตรงนี้ก็เป็นการยกย่องท่านอังกุลิมานว่าโอ้ท่านเป็นผู้ที่มีศีลดีมา ก, กแล้วก็ข้อที่2ตอนนั้นพระเจ้าประเสิทธิ์ที่โศลจะยกกองทัพกองทหารเนี่ยไปฆ่าอังกุลิมานโดยที่ยังไม่รู้ว่าอังกุลิมานตอนนั้นเลิกเป็นโจรแล้วมาบวชแล้ว น, นมาบวชแล้วเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ไกลกันพอพระพุทธเจ้าชี้ให้ดูว่านะ่ยอังกุลิมาน แล้วก็ยังยกย่องท่านพระอังคุลิมานว่าเป็นผู้ที่มีศีลมีกัละยาณธรรมไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่เอาทรัพย์ของคนอื่นแล้วท่านก็ยังรักษาธุดงค์วัดทั้งสามข้อด้วยบินตบาดเป็นวัดถือผ้าบางสุกุลแล้วก็แล้วก็น่าจะอยู่ป่าเป็นวัดแล้วข้อที่สามเนี่ยมาไม่แน่ใจแต่สองข้อเนี่ยใช่อยู่ค่ะอ๋อคือเหมือนกับว่าถ้าตัดตอนมาตอนที่ท่านไดกล่าวถึงเนี่ยก็คืออังคุลิมาเนี่ยได้มาบวชใน ศาสนาของพรงะพุทธเจ้าแล้วใช่ใชแล้วก็ได้ตรัสถึงในลักษณะที่มีคุณความดีอะไรก็คือเป็นศีลที่รักษาใช่ไหมคะเท่าที่อดิฉันได้ฟังเนี่ยก็คือมีศีลสีข้อละข้อที่หนึ่งสสาสี่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทําชีวิตสัตว์ไม่ไม่อะไรนะคะ<อ>ไม่การกลก่าวเท็จไม่การกลก่าวเท็จคือปกติคนที่เป็นโจรเนี่ยพอฆ่าแล้วก็เอาทรัพย์ด้วยค่ะแล้วก็จะโกหกด้วยแต่ว่าท่านเลิกทําพวกนั้นหมดแล้ว เกิดออ น, นี้ได้กล่าวกับพระชาชนเปร์เซนที่โกลค่นเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อให้ยกย่องว่าอังกุริมานเป็นอย่างนี้นะตอนนี้ออืมืมมแปลว่าแป ล, ว, แล ว, ว่าท่านมองเห็นความดีในความไม่ดีที่มีที่คนอื่นเห็นคือตอนนั้นบวชแล้วไงออตอนนั้นบวชแล้วอืค่ะแล้วก็ในส่วนที่ให้ไปพูดกับผู้หญิงท้องนั้นก็แปลกมากเลยนะคะเป็นการจะไปเหมือนกับให้พรถูกไหมคะต้องให้ผู้หญิงเขาคลอดง่ายเนี่ยใช่แล้วก็ให้คนที่เคยทำไม่ดีมาเยอะแยะเนี่ยไปให้พร แสดงถึงอะไรให้พรนิบลักแสดงถึงอะไรกันท่านคะตัวนี้แสดงถึงความที่ท่านมีกําลังจิตมากท่านอังกุริมานเนี่ยน ะ, ะมีกําลังจิตมากเพราะว่าคนที่จะมีทําสัตจจกกิริยาเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าทําสัจจ ก, กิริยาคือด้วยวาจาสัตว์เนี่ยขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นการตั้งสัตจจ ก, กิริยาอย่างเงี้ยโฮมเป็นคนที่จะทํางนี้ได้ต้องมีความศรัทธาสูงมีกําลังจิตสูงถึงจะสําเร็จผลไดอ้อย่างเช่นบางทีเราขอป่ะขอให้ฉันสอบผ่าน อย่างนี้น ะ, ค, ะคุณคุณทําอะไรล่ะคุณถึงจะสอบผ่านฉันเป็นคนดีด้วยสัจจกิริยานี้ขอให้ฉันสอบผ่านแต่บางทมันก็ไม่ผ่านนะคนดีนี่ก็ต้องคือคุณก็ต้องอธิบายลงไปหรือว่าต้องมีกําลังจิตสูงอะ่ะถึงจะสามารถทําสัจจกิริยาตรงนี้ได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นชีวิตตอนบวชแต่ว่าก่อนบวชแล้วคะ่ะท่านค ะ, อ, ะอยากจะทราบว่าไปยังไงมายัางไงก็จะให้ท่านได้ช่วยกรุณา เล่าประวัติขององคุลีมานที่ปรากฏอยู่ในพุทธพจน์ให้ท่านฟังทั้งหลายได้ฟังหน่อยได้ไหมคะถ้าเป็นพุทธพจน์เองคือที่มาในอังคุลีมาลสูตรอย่างที่เราอาจจะได้เคยอ่านกันอาจจะมาเคยอันนี้ฟังอยู่อันนี้คือมาในมัชชิมานิกายพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็จะไปบินตบาดแล้วก็หลังจากบินตบาดแล้วฉันก้าเสร็จได้บรายแล้วก็ไปหาอังคุลีมาน พูดแก่นี้เองประสูตรเริ่มที่ตรงนี้แต่เราจะหมายถึงประสูตรนี้นะซึ่ง่งประสู ต, ตรตรงนี้เริ่มที่ตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเสร็จแล้วกลับม า, ก, บมาก็เลยไปหาอังกุลิมานระหว่างที่เดินทางไปหาอังกุลิมานเนี่ยก็มีชาวบ้านชาวไร่ก็เดินสวนมาบอกอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นพูดเตือนทั้ง3ามสี่รอบแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจก็งเงีงยบๆแล้วก็เดินต่อไปจนกระทั่งเจออังกุลิมานแล้วก็พยายามจะฆ่าและนี่ก็เป็นประวัติอย่างที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันว่า วิ่งตามพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ทันสัทีอังกุรีมานก็เลยขอให้พระพุทธเจ้าหยุดอันนี้ก็คือที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันแต่ทีนี้ถ้าประบัติก่อนหน้านั้นว่าตอนเด็กๆท่านเป็นยังไงไปเรียนที่เมืองตากาซีลาถูกเพื่อนใส่ร้ายถูกอาจารย์หลอกให้ไปอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นอัตถคถาละเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาอธิบายถึงประวัติของท่านซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เล่าแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีของบุคคลอื่น ต่อให้ถามเฉพาะเจาะจงก็จะพูดนิดหน่อยจะไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันเมื่อประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอาดมาก็ได้ไปซื้อหนังสือมาอีกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องประวัติของท่านอังคุลิมานอันนี้เขาก็จะมีการอธิบายอะไรที่เป็นดราม่ากันขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นใ น, ในที่นี้ในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจึงต้องแยกชั้นของหลักฐานใ ห, ให้ถูกต้องนิดนึงก่อ น, น, นก็คือว่าอันที่ความมีตัวตนของท่านพระอังคุลิมานนี้มีอยู่แน่นอนเป็นพุทธพจน์ นะท่านเป็นเลอทางด้านนี้ด้านนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้แล้วก็เป็นสาวกชั้นยอดอยู่ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าท่านมีตัวตนอยู่ทีนี้ท่านทำไมถึงชื่อนี้ก็มีในมาในอังคุลีมาลัสูตรซึ่งในพระสูตรต ร, ตรงนี้ก็จะมีทั้งที่เป็นเขาเป็นเหมือนกับคําอธิบายอยู่ในพระสูตรเนี้ยนะแต่อยู่ในตัวเนื้อพระสูตรก็มีส่วนที่เป็นอัตถกถาที่ว่าท่านมีกําเนิดมาอย่างไงท่านเข้าใจความว่ายอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลชั้นที่2 ส่วนข้อมูลชั้นที่3ลงไปอีกก็คือที่เขาเติมขึ้นมาว่ า, อาตอนเด็กๆ เ, เป็นอย่างนี้เจออาจารย์เป็นอย่างนี้แล้วก็พลิกพลันได้ขึ้นมาเพราะเป็นอย่างนี้ทําชั่วไปเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลชั้นที่3ามแตคือคือเวลาเราศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอาเฉพาะที่พุทธพจน์แล้วยังอื่นโยนทิ้งหมดแต่นะคือเราก็ต้องดูดูฟังฟังไว้อันไหนที่มันลงกันได้เข้ากันได้เออ ก, ก, ก็ก็ดูฟังเอาไว้อันไหนที่ยังลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ไไดก็ยกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้น ถ้าเราศึกษาดูแล้วเนี่ยส่วนที่มันลงกันได้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เราก็จะมีความรู้กว้างขวางในข้อมูลพวกนี้นะเรื่องของประวัติกานอ่านกุลิมานค่ะก็เท่ากับว่ามีอยู่จริงแต่ประวัตินั้นก็มีทั้งส่วนที่ตรัสเอาวไว้กับส่วนที่มีผู้อื่นได้รจน า, าวไวบันทึกเอาวไว้นะคะธรรมะที่ได้จากการที่พระพุทธองค์ได้ตรัส แกองค์คุริมานหากเราจะนํามาใช้บ้างเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะท่านคะในที่นี้ก็จะมีอยู่สมข้อแต่ ข, ข้อแรกเลยตอนที่พระพุทธเจ้าไปหาท่านองคุริมานเนี่ยต้องใช้ความความสามารถอย่างมากเพราะว่าถ้าคนอื่นๆไปไปหาเนี่ยนะอาจจะไม่ฟังอาจจะไม่เชื่อแต่เพราะว่าด้วยความสามารถของพระพุทธเจ้าแต่ตรงนี้ข้อที่1ในที่นี้คือพุทธานุสติแลที่อาตมาต้องการจะพูดถึงก็คือว่าท่านพระองค์คุริมานเนี่ยที่กลับใจได้เลยเนี่ย พระพุท ธ, ธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้แน่นอนแต่มีพุท ธ, ธานุสติตั้งสติได้ว่าโอ้ดูซิสมณานี่ยังเข้ามาในป่าขนาดนี้เพื่อที่จะมาโปรดฉันฉันจะโยนโล่โยนดาบทิ้งศรลงไปในหน้าผาฉันจะบวชตรงนี้เป็นบวชได้เนี่ยพระพุท ธ, ธานุสติแน่นอนอันนี้คือข้อที่หนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมากและเราควรจะระลึกถึงท่านในข้อที่สองก็คือว่าความชั่วความบาป ที่ตัวเราเคยทํามาเนี่ยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีจิตความเป็นพะยะ์ความเสพปิดตินร้นทุกคนมีถ้ามีราคะโทสะโมหะอยู่มีราคะโทสะโมหะอยู่บางทีพลิกผันไปเป็นความท้อแท้ท้อถอยฉันทําชั่วทําผิดทําบาปมาฉันคงทําไม่ได้หรือบางทีมีราคะโทสะโมหะอยู่กับพลิกผันไปด่าว่าคนอื่นโกงบ้างทําผิดอะไรต่างๆบ้างเน่ต่อให้เราทําผิดมาก่อนเนี่ยทผิดมาก่อนเออก็คงไม่ขนาดว่า เป็นซีเรียลคิลเลอร์แบบท่านอังกุริมานนะคือฆ่าคนเป็นพันๆคนนะนะซึ่งซึ่งแม้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยฆาตกรที่เยี่ยมโหดที่สุดก็ยังไม่เท่าท่านเลยนะฆนะ่าคนก็ยังไม่ถึงพันคนซีเรียลคิลเลอร์เนี่ยนะ เ, เพราะฉะนั้นขนาดนี้ยังสามารถที่จะแก้ไขตัวเองฝึกจิตตัวเองคมจิตตัวเองบังคับจิตตัวเองให้มาในทางดีได้แต่ถ้าเราไม่ได้ชั่วขนาดนั้นเราน่าจะต้องทําได้ก็มันน่าจะต้องทําได้นี่ก็ต้องดูด้วยว่า คุณต้องไม่รำอนันตริยกรรมมาก่อนนะคือไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระอาหารหันทําไม่ทําสงฆ์ให้่ากกันพวกนี้เป็นต้น<ะ>นี่คือในในข้อที่2แต่ซึ่งเราเอามาคอยเปรียบเทียบเถอะว่าถ้าตัวเราชั่วมาก่อนแต่แก้ไขซะทําให้ดีซะขณะว่าตัวท่านเองเนี่ยยังได้เคยพูดถึงว่าน้ำแต่เขายังสามารถบังคับไปตามแปลงนาได้ด้วยการหันน้ําลูกศรเขายังดัดได้ด้วยกรรมวิธีของช่างสอน ไม้ยังเอามาถาักทาไม่ตรงเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยวิธีของช่างถากไม้ศาสตร์เนี่ยบางทียังฝึกได้ด้วยการใช้อาทยาใช้ศาสตราแล้วคนเนี่ยด้วยมีธรรมะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอาทยามีธรรมะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยศาสตราทําไมจะฝึกไม่ได้และนี่คือข้อที่2ที่ทําให้ท่านพระอังกุริมาเนี่ยบรรลุธรรมได้แตนะ่ท่านคิดอย่างนี้คือท่านมาเฉลยให้ฟังหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วนั่งนิ่งๆสวยความสุขจากวิมุติอยู่เนี่ยนะ S <S> <S ก็ได้กล่าวคาถาตรงนี้มีคําอธิบายไว้ตรงนี้ในข้อที่สองแล้วในข้อที่สามในธรรมะส่วนที่เราจะได้รู้ก็คือว่าการตั้งสัจจ ก, กิริยาว่าเนนี้มีอนุภาพมีมีความมีอํานาจอยู่การที่เราตั้งใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแรงกล้าในกรณีนี้คือตัวอย่างจากการที่ท่านพระองคุลิมานไปกล่าวสัจจ ก, กิริยาว่าฉันตั้งแต่เกิดมาในอริยชาติเนี่ยไม่เคยฆ่ า, าสัตว์เลยขอให้ความปลอดภยัยความบริบูรณ์ความสวัสดีจงมีแก่เธอและเด็กนั้นมารดานั้นก็คลอดง่ายขึ้นมา ใน<ช>ปนข้อที่สามที่เราเรียนรู้จากเรื่องราวของท่านพ้าองค์กุลีมนันคช่ไหมคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่ท่านเข้าใจว่า อ, อทั้งสามเรื่องเลยเป็นประโยชน์กับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่บอกว่าอย่างไรเสียมนุษย์ย่อมฝึกตนได้เปลี่ยนจากคนไม่ดีมาเป็นคนที่ดีได้ใช่ดูตัวอย่างจากท่านเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะ โจนี่ค่าคนมาเยอะแยะมากมายสามารถกลับใจด้วยการที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเรียนพูดได้ไหมคะมีพุทธานุสติเลยแหละที่นั้นแน่นอนพุทธานุสติเพราะนั้นเราก็ต้องมีกําลังใจทั้งสองแง่เลยไหมคะว่าคิดได้เองฝึกตัวเองเพราะมีพุทธานุสติเก็อีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าคนใกล้ๆตัวเราเนี่ยลูกสามีเป็นคนที่ มันทําให้เราเครียดเลยนะคะหรือบางทีเป็นพี่น네 ok <ities> yeah. ้องกันเนี่ยค่ะอยู่ดีๆก็มาแย่งมรดกกันใช่อย่างนั้นอือย่าเพิ่งท้อมันอาจจะมีพุทธานุสติไปช่วยทําให้เขากลับอกกลับใจได้ใช่ใช่นะคะกับแง่คิดอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําอนันตริยกรรมเนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะไม่สามารถจะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่แดนแห่งความดีได้เลยก็จะต้องไปตกลงก่อน ใช่ค่ะนะคะฆ่าพ่อค่าแม่ทําพระพุทธเจ้าให้พอเลือดเลือะไรอีกข้อนะคะเอ่อทำสงให้แตกกันทําส่งให้แตกกันงหมดห้าข้ค่ะคนแล้วก็ฆ่าฆ่าพระอรหันด้วยอีกข้อหนึ่งข้อที่หาฆ่าพระอรหันกับสุดท้ายก็คือมีฤทธิ์ด้วยตนเองได้เพียงแค่มีมีสัจจกิริยาสัจจกิริยา สัจจกิรยิยาในคำนี้หมายกว่ามากิริยาก็คือการกระทำสัจจคือ ค, คำที่พูดจริงคำจริงด้วยการกระทำที่ทำจริงด้วยวาจาสัจนี้อย่างนี้น ะ, ะตรงนี้มีอำนาจมีพลังจิตสูงค่ะเราก็ได้รู้จักองคุริมานเพิ่มขึ้นแหละเมื่อก่อนที่จะประทับใจกันก็คือว่าพอเจอพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ามีฤทธ ตามที่ท่านบอกว่าอาจถกกถาเล่าไว้ภายหลังเป็นข้อมูลชั้นที่สองชั้นที่สามเนี่ยนะคะอื ม, อมแล้วก็สงสัยเอ้ยว่าไมผู้ชายคนนี้พิเศษอย่างไรเราถึงไล่ตามไม่ทันแล้วก็มักจะมีถ้อยคําที่คนธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยมักจะเอามาใช้เปรียบเทียบกันอยู่เสมอว่าเราหยุดแล้วท่านทําไมยังไม่หยุดอย่างเงี้ยที่เป็นพุทธพจน์ใช่ไหมคะอ๋อใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นพุทธพจน์จริงๆนะอ๋ออันนี้เป็นบทสนทนาที่เป็นพุทธพจน์จริงๆ ท่านตรัสยังไงนะคะพระพุทธองค์ตอนแรกท่านอังคุลิมานตอนเป็นโจรเนี่ยเขาถามก่อน<ฆ>ถามก่อนว่าคือคือคิอคดก่อนว่าเอปกติเนี่ยเราวิ่งตามช้างตามม้าก็ยังทันนะวิ่งตามรถก็ยังทันทําไมสมณะองค์นี้เดินไปเฉยๆเราวิ่งตามไม่ทันก็เลยหยุดยืนแล้วก็ถามซึ่งคําถามเนี่ยเป็นลักษณะคํากรอนเป็นคาถาที่แต่งไปเห<ฆ>มือนกับว่าเหมือนบทโครงสี่สุภาพที่เขา เล่นกันตามเบทีอย่างนี้นะระหว่างชายหญิงเนี่ยอันนี้คือเขาแต่งเป็นคาถาถามนี่คือท่านพระอังคุริมาเนี่ยถามตอนนั้นเป็นโจรอยู่นะว่าสมณะหยุดก่อนสมณะอยุ่ก่อนอย่างนี้พระบริจาก็ตอบเป็นคาถาเหมือนกันบอกว่าเราหยุดแล้วนะท่านละยังไม่หยุดอังคุริมาเก็สงสัยว่าเอ้าทำไมเราหยุดแล้วแล้วบอกเราไม่หยุดท่านเดินอยู่บอกท่านหยุดแล้วก็เลยถามคำถามตรงนี้ไปพระบริจาคมัก็เลยไข่กว่าว่าที่หยุดเนี่ยก็คือหยุดปรงชีวิตสัตว์ให้ตกลุ่มลงไป อันนี้เราอยู่แล้วแต่ท่านเนี่ยยังไม่หยุด ต, ตรงนี้ก็เลยอึ้กขึ้นมาคิดได้ตอนนี้เป็นพุทธานุสติขึ้นมาค่ะอนะคะพูดแบบนี้ทําให้องค์ลิมานี้กลับใจเลย<ช>นึกขึ้นได้นะคะ<ช>ว่าพระพุทธองค์หยุดแล้วทําไมยังไม่หยุดเนี่ยค่ะท่านผู้ฟงที่โทรมคราบางทีสิ่งที่เราพูดพูดกันติดปากเราก็พูดกันแบบสนุกบ้างอะไรบ้างแต่มีที่มาที่ไปอันยิ่งใหญ่แล้วก็วันนี้เชื่อว่า ประวัติจากองค์ุลิมานซึ่งตอนหลังก็เป็นอริยบุคคลถูกไหมคะใช่พอเป็นอริยบุคคลแล้วไอ้ความผิดบาป ท, ทั้งหลายที่เคยทํามาแต่การก่อนนี่หมดเลยใช่ไหมคะไม่ต้องชดใช้เออคือก็จะจะพ้นจากนรกกาเนิดได้ฌานเปรีวิสัยอันนี้คือไม่ไปแน่นอนละนะตั้งแต่เป็นโซบบนบรรทีนี้ว่ากรรมอะไรที่มันยังจะให้ผลมันก็ยังจะมีให้ผลอยู่น ะ, ะเช่นเช่นว่าท่านกลับจากบินต บ, บานเนี่ย ใครเขาโยนหินโยนของอะไรไปทางไหนมันก็จะหล่นมาหาตัวท่านท่านก็จะหัวแตกบ้างเลือดออกบ้างบาดบุบบ้างจีวรขาดบ้างพระบุตรเจ้าเห็นท่านพระอังกลีมานเดินมาแต่ไก ล, ลเลือดออกหัวแตกบาดบุบอย่างเงี้ย ก, ก็เลยบอกว่าอดทนไว้อดทนไ ว, นไว้พรามอดทนไว้มันยังดีกว่าที่จะไปตกนรกนะรับแค่นี้ดีแล้ว<อ>พูดประมาณนี้นะคะ วันนี้ก็พอคนแเกิเวลาแล้วนะคะเย่ยบานยบ น, นะคะก็กราบน้มักการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับความรู้ที่ให้กับผู้ฟังรายการสมชนี ส, สนธนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอเอมร้อยหกค่ะน้อมักการคะ่ะเย่ยบานเรื่องฝั่งที่ทุกค่ะท่านไพียบูนอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเป็นวัดที่มีหลักสูตรการเรีนหรือว่าการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการของรัฐบาลเลยนะคะแล้วขณะนี้ที่นั่นซึ่งสร้างพระอุโบสถมาเป็นเวลาประมาณ3ปีก็กำลังเหลืองานอีกเล็กน้อยที่จะเสร็จท่านใดมีความจิตเป็นกุศลอยากจะปิดงานสร้างพระอุโบสถที่นั่นซึ่งเป็นส่วนงานของการปูหินแกรนิตนะคะก็สามารถที่จะแสดงเจตนา ทำบุญไปได้ที่บัญชีของวัดชื่อวัดป่าดอนหายโูงธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุดรธานีหมายเลขบัญชีนะคะสี่ศ2 8 6 9 5 5ขีดสามสองปดห้าห้าห้าอีกครั้งนะคะสี่ศ2 8ย์หนึ่งสามสองแปดหเก้าห้าห้าพรุ่งนี้เรามาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ สำหรับวันนี้ขอดรับความขอบคุณจากิฉันสันสนี น, นาคพงพุทธวัตรสวัสดีค่ะ